อาสีวิสูตรว่าด้วยบุคคลเปรียบเหมือนอสารพิษภิกษุทั้งหลายอสารพิษสี่จำพวกนี้อสรพิษสี่จำพวกอะไรบ้างคือ 1. อสรพิษมีพิษแล่นแต่พิษไม่ร้าย 2. องสรพิษมีพิษร้ายแต่พิษไม่เล่น 3. อสรพิษมีพิษแล่นและพิษร้าย สีอสอรพิษมีพิษไม่แล่นและพิษไม่ร้ายภิกษุทั้งหลายอสอรพิษสีจ่จำพวกนี้แหลในทํานองเดียวกันบุคคลเปรียบเหมือนอสอรพิษสีจ่จำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสีจ่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษมีพิษแล่นแต่พิษไม่ร้าย 2. บุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษมีพิษร้ายแต่พิษไม่แล่น สบุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษมีพิษแล่นและพิษร้าย 4. บุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษมีพิษไม่แล่นและพิษไม่ร้ายบุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษมีพิษแล่นแต่พิษไม่ร้ายเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โกรธอยู่บ่อยๆแต่ความโกรธของเขานั้นไม่คงอยู่นานบุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษมีพิษแล่นแต่พิษไม่ร้ายเป็นอย่างนี้แหล เรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนอสรพิษมีพิษแล่นแต่พิษไม่ร้ายบุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษมีพิษร้ายแต่พิษไม่แล่นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่โกรธบ่อยนักแต่ความโกรธของเขานั้นคงอยู่นานบุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษมีพิษร้ายแต่พิษไม่แล่นเป็นอย่างนี้แหลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่า เหมือนอสรพิษมีพิษร้ายแต่พิษไม่แล่นบุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษมีพิษแล่นและพิษร้ายเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โกรธอยู่บ่อยๆและความโกรธของเขาก็คงอยู่นานบุคคลเปรียบเหมือนสรพิษมีพิษแล่นและพิษร้ายเป็นอย่างนี้แหลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนอสรพิษมีพิษแหนและพิษร้าย บุคคลเปรียบเหมือนนสรพิษมีพิษไม่แล่นและพิษไม่ร้ายเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่โกรธบ่อยนักและความโกรธของเขานั้นก็ไม่คงอยู่นานบุคคลเปรียบเหมือนนสรพิษมีพิษไม่แล่นและพิษไม่ร้ายเป็นอย่างนี้แลเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนนสรพิษมีพิษไม่แล่นและพิษไม่ร้ายภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปรียบเหมือนอสรพิษสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกอาสีวิสสูที่สิบจบวลาหากะวักที่หนึ่งจบรวมพระสูที่มีในวักนี้คือ 1. ปฐมวลาหากะสูตร 2. ทุติยวลาหากะสูตรสกุมพระสูตร 4. อุทกรหทสูตร 5. อัมพสูตร 6. ไม่ปรากฏชื่อสูตร 7. มูสิกสูตร 8. ปดพลิวัตสูตร 9. รุกขสูตร 10. อาศีวิสสูตร 2. เกศิวัก หมวดว่าด้วยเกสีสารถีผู้ฝึกมา้าหนึ่งเกสีสูตรว่าด้วยเกสีสารถีผู้ฝึกมา้าครั้งนั้นแหลเกสีสารถีผู้ฝึกม้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตร ถ, ถามเกสีสารถีผู้ฝึกมา้าดังนี้ว่าเกสีท่านนั่นแล เขารู้กันทั่วไปว่าเป็นสารถีผู้ฝึกมา้าก็ท่านฝึกม้าที่ควรฝึกได้อย่างไรเยสีสารถีผู้ฝึกม้าทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ฝึกม้าที่ควรฝึกด้วยวิธีแบบสุภาพบ้างวิธีแบบรุนแรงบ้างวิธีทั้งแบบสุภาพและแบบรุนแรงบ้างพระผู้มีพระภาคตรถามต่อไปอีกว่าเยสี ถ้ามาที่ควรฝึกของท่านฝึกไม่ได้ด้วยวิธีแบบสุภาพวิธีแบบรุนแรงวิธีทั้งแบบสุภาพและแบบรุนแรงท่านจะทำกับมันอย่างไรเยสีเสรฐีผู้ฝึกม้าทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าม้าที่ควรฝึกของข้าพระองค์ฝึกไม่ได้ด้วยวิธีแบบสุภาพวิธีแบบรุนแรงวิธีทั้งแบบสุภาพและแบบรุนแรงข้าพระองค์จะฆ่ามันเสีย ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะข้าพระองค์คิดว่าความเสียหายอย่าได้มีแก่สำนักอาจารย์ของเราเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคทรงฝึกบุรุษที่ควรฝึกอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเกสีเราฝึกผู้ที่ควรฝึกได้ด้วยวิธีแบบสุภาพบ้าง วิธีแบบรุนแรงบ้างวิธีทั้งแบบสุภาพและแบบรุนแรงบ้างบรรดาวิธีสามอย่างนั้นต่อไปนี้เป็นถ้อยคำในวิธีแบบสุภาพคือกายสุจริตเป็นอย่างนี้วิบากแข่งกายสุจริตเป็นอย่างนี้วจีสุจริตเป็นอย่างนี้วิบากแข่งวจีสุจริตเป็นอย่างนี้มโนสุจริตเป็นอย่างนี้วิบากแห่งมโนสุจริตเป็นอย่างนี้ เทวดาเป็นอย่างนี้มนุษย์เป็นอย่างนี้ต่อไปนี้เป็นถ้อยคําในวิธีแบบรุนแรงคือกายยทุจริตเป็นอย่างนี้วิบากแห่งกายยทุจริตเป็นอย่างนี้วจีทุจริตเป็นอย่างนี้วิบากแห่งวจีทุจริตเป็นอย่างนี้มโนทุจริตเป็นอย่างนี้วิบากแห่งมโนทุจริตเป็นอย่างนี้นรกเป็นอย่างนี้กําเนิดสัตว์ดิเรกชันเป็นอย่างนี้ แดนเปรตเป็นอย่างนี้ต่อไปนี้เป็นถ้อยคําในวิธีทั้งแบบสุภาพและแบบรุนแรงคือกายสุจริตเป็นอย่างนี้วิบากแข่งกายสุจริตเป็นอย่างนี้กายทุจริตเป็นอย่างนี้วิบากแข่งกายทุจริตเป็นอย่างนี้วจีสุจริตเป็นอย่างนี้วิบากแข่งวจีสุจริตเป็นอย่างนี <mam> ้วจีทุจริตเป็นอย่างนี้ วิบากแห่งวจีทุจริตเป็นอย่างนี้มโนสุจริตเป็นอย่างนี้วิบากแห่งมโนสุจริตเป็นอย่างนี้มโนทุจริตเป็นอย่างนี้วิบากแห่งมโนทุจริตเป็นอย่างนี้เทวดาเป็นอย่างนี้มนุษย์เป็นอย่างนี้นรกเป็นอย่างนี้กำเนิดสัตว์เดรัจฉานเป็นอย่างนี้แดนเปรตเป็นอย่างนี้เกสีเสราธีผู้ฝึกม้าทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าบุรุษผู้ที่ควรฝึกได้ของพระองค์ฝึกไม่ได้ด้วยวิธีแบบสุภาพวิธีแบบรุนแรงวิธีทั้งแบบสุภาพและแบบรุนแรงพระผู้มีพระภาคจะทำกับเขาอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเกสีถ้าบุรุษผู้ที่ควรฝึกได้ของเราฝึกไม่ได้ด้วยวิธีแบบสุภาพวิธีแบบรุนแรงวิธีทั้งแบบสุภาพและแบบรุนแรง เราก็ฆ่าเขาเสียเยสีสารธีผู้ฝึกม้าทูลถามว่าข่าแต่พระองค์ผู้เจริญการฆ่าสัตว์ไม่สมควรแก่พระผู้มีพระภาคเลยชะไหนพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอย่างนี้ว่าเราก็จะฆ่าเขาเสียพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเกสีความจริงการฆ่าสัตว์ไม่สมควรแก่ตถาคตแต่บุรุษผู้ที่ควรฝึกใด ฝึกไม่ได้ด้วยวิธีแบบสุภาพวิธีแบบรุนแรงวิธีทั้งแบบสุภาพและแบบรุนแรงตถาคตย่อมกาหนดบุรุษนั้นว่าไม่ควรว่ากล่าวสั่งสอนเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ต่างกาหนดว่าเขาเป็นผู้ไม่ควรว่ากล่าวสั่งสอนเยสีเพราะข้อที่ว่าตถาคตย่อมกาหนดบุรุษนั้นว่าไม่ควรว่ากล่าวสั่งสอนแม้เพื่อนพรหมจารีผู้รู้ต่างกาหนดว่า เขาเป็นผู้ไม่ควรว่ากล่าวสั่งสอนดังนี้นั้นถือว่าเป็นการฆ่าในอริยวินัยเยศีสรธีผู้ฝึกม้ากราบทูลว่าค่าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่ตถาคตกำหนดผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่ควรว่ากล่าวสั่งสอนแม้เพื่อนพระมารีผู้รู้ว่ากำหนดว่าเขาเป็นผู้ไม่ควรว่ากล่าวสั่งสอนชื่อว่าเป็นการฆ่าอย่างดีแน่นอน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 2. ชวสูตรว่าด้วยความว่องไวของม้าต้นและของภิกษุภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในพันธีของพระราชาที่ประกอบด้วยองค์สี่ประการย่อมเป็นม้าควรแก่พระราชาควรเป็นม้าต้นนับว่าเป็นราชพานะโดยแท้องค์สี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ความซื่อตรง 2. ความว่องไวสความอดทน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 ควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกทำสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ความซื่อตรงสองความว่องไว 3. ความอดทน 4. ความสงบเสงี่ยมภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยทำสี่ประการนี้แลย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายและถึง เป็นนามบุญอันยอดเยี่ยมของโลกชะวะสูตรที่สองจบ 3. ปรปโตทสูตรว่าด้วยปตักของสารถีภิกษุทั้งหลาย ม้าอาชาในพันดีสี่ประเภทนี้มีปรากฏอยู่ในโลกม้าอาชาในพันดีสี่ประเภทอะไรบ้างคือหนึ่งม้าอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้พอเห็นเงาประตักษ์ก็หวาดวันสำนึกว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกมา้จาจะให้เราทำการอะไรเนาะเราจะสนองเขาอย่างไรม้าอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้เป็นอย่างนี้แหล ม้าอาชาในพันดีประเภทที่หนึ่งนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสองม้าอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้เห็นเงาปะตักก็ไม่หวาดวันไม่สำนึกแต่เมื่อถูกแทงด้วยปะตักที่ขุมขนจึงหวาดวันสำนึกว่าวันนี้สารทีผู้ฝึกม้าจะให้เราทำการอะไรน้อเราจะสนองเขาอย่างไรม้าอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้เป็นอย่างนี้แล ม้าอาชาในพันดีประเภทที่สองนี้มีปรากฏอยู่ในโลก 3. ม้าอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้เห็นเงาปะตักก็ไม่หวาดวันไม่สำนึกแม้จะถูกแทงด้วยปะตักที่ขุมขนก็ยังไม่หวาดวันไม่สำนึกแต่เมื่อถูกแทงด้วยปะตักถึงผิวหนังจึงหวาดวันสำนึกว่าวันนี้สารวีผู้ฝึกมา้จาจะให้เราทำการอะไรหนอเราจะสนองเขาอย่างไร ม้าอาชาในพันธีบางตัวในโลกนี้เป็นอย่างนี้แหลม้าอาชาในพันธีประเภทที่สามนี้มีปรากฏอยู่ในโลก 4. ม้าอาชาในพันธีบาง ต, tahun, ต, ต, s. <S ตัวในโลกนี <S <S <S <s <S ้เห็นเงาปตัก็ไม่หวาดวันไม่สํานึกแม้จะถูกแทงด้วยปตักที่ขุ่มขนก็ไม่หวาดวันไม่สานึกแม้จะถูกแทงด้วยปตักถึงผิวหนังก็ไม่หวาดวันไม่สํานึกแต่เมื่อถูกแทงด้วยปตักถึงกระดูก จึงหวาดหวัน่นสํานึกว่าวันนี้สารธีผู้ฝึกมาจะให้เราทําการอะไรหนอเราจะสนองเขาอย่างไรมาอาชาในพันดีบางตัวในโลกนี้เป็นอย่างนี้แหละมาอาชาในพันดีประเภทที่สีน่นี้มีปรากฏอยู่ในโลกภิกษุทั้งหลายมาอาชาในพันดีสี่ประเภทนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกฉั้นใดภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาในผู้เจริญสี่จำพวกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีปรากฏอยู่ในโลกบุรุษอาชาในสี่จำพวกไหนบ้างคือหนึ่งบุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้ฟังข่าวว่าในหมู่บ้านหรือตำบลนู้น ون, สตรีหรือบุรุษประสบทุกข์หรือตายเขาสลดใจสำนึกตัวเพราะฟังข่าวนั้นจึงเริ่มบำเพ็ญเพียรโดยแยบคาย อุทิกกายและใจทำให้แจ้งปรมาทสัจจะด้วยนามกายและเห็นแจ้งทั่วถึงด้วยปัญญาเรากล่าวเปรียบบุรุษอาชาในผู้เจริญ น, นี้ว่าเหมือนม้าอาชาในพันดีเห็นเงาปะตักก็วาดวันสำนึกบุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้แหลบุรุษอาชาในผู้เจริญประเภทที่หนึ่งนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสอง บุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้ไม่ได้ฟังข่าวว่าในหมู่บ้านหรือตำบลโน้นสตรีหรือบุรุษประสบทุกข์หรือตายแต่เขาเห็นสตรีหรือบุรุษประสบทุกข์หรือตายด้วยตัวเองเลยทีเดียวเขาสลดใจสำนึกตัวเพราะเห็นเหตุการณ์นั้นจึงเริ่มบำเพ็ญเพียรโดยแยบคายอุทิกายและใจทาให้แจ้งปรมาถสัจจะด้วยนามกาย และเห็นแจ้งทั่วถึงด้วยปัญญาเรากล่าวเปรยบบุรุษอาชาในผู้เจริญนี้ว่าเหมือนม้าอาชาในพันดีที่ถูกแทงด้วยปะตักจึงหวาดวันสำนึกบุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้แลบุรุษอาชาในผู้เจริญประเภทที่สองนี้มีปรากฏอยู่ในโลก 3. บุรุษอาชาในบางคนในโลกนี้ไม่ได้ฟังข่าวว่า ในหมู่บ้านหรือตำบลชื่อนนตนสตรีหรือบุรุษประสบทุกข์หรือตายไม่ได้เห็นสตรีหรือบุรุษประสบทุกข์หรือตายด้วยตัวเองแต่ญาติหรือสาโลหิตของเขาประสบทุกข์หรือตายเขาสลดใจสำนึกตัวเพราะเหตุการณ์นั้นจึงเริ่มบำเพ็ญเพียรโดยแยบคายบูริกายและใจทําให้แจ้งปรมัทสัจจะด้วยนามกายและเห็นแจ้งทั่วถึงด้วยปัญญา เรากล่าวเปรียบบุรุษอาชาในผู้เจริญนี้ว่าเหมือนม้าอาชาในพันดีที่ถูกแทงด้วยปะตากถึงผิวหนังจึงหวาดวันสำนึกบุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้แลบุรุษอาชาในผู้เจริญประเภทที่สามนี้มีปรากฏอยู่ในโลก 4. บุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้ไม่ได้ฟังข่าวว่าในหมู่บ้านหรือตำบลโน้น สตรีหรือบุรุษประสบทุกข์หรือตายไม่ได้เห็นสตรีหรือบุรุษประสบทุกข์หรือตายด้วยตัวเองทั้งญาติหรือสาโลหิตของเขาก็ไม่ได้ประสบทุกข์หรือตายแต่ตัวเขาเองประสบเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บปวดแผลร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจพรากชีวิตเขาสลดใจสำนึกตัวเพราะประสบทุกข์นั้น จึงเริ่มบำเพ็ญเพียรโดยแยกคลายอุทิกายและใจทำให้แจ้งปรมาทัศน์เจด้วยนามกายและเห็นแจ้งทั่วถึงด้วยปัญญาเรากล่าวเปรียบบุรุษอาชาในผู้เจริญนี้ว่าเหมือนม้าอาชาในพันดีที่ถูกแทงด้วยปตักจนถึงกระดูกจึงหวาดวันสำนึกบุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้แลบุรุษอาชาในผู้เจริญประเภทที่สี่นี้ มีปรากฏอยู่ในโลกภิกษุทั้งหลายบุรุษอาชาในผู้เจริญสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกประตะูตรที่สจบ 4. นาคสูตรว่าด้วย องค์ของช้างต้นภิกษุทั้งหลายช้างของพระราชาประกอบด้วยองคสีประการย่อมเป็นช้างควรแก่พระราชาควรเป็นช้างต้นนับว่าเป็นราชพานะโดยแท้องคสีประการอะไรบ้างคือช้างของพระราชาในโลกนี้หนึ่งเป็นสัตว์เชื่อฟังสองเป็นสัตว์ฆ่าได้สเป็นสัตว์อดทนได้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 ช้างของพระราชาเป็นสัตว์ไปได้เป็นอย่างนี้แลภิกสุทั้งหลายช้างของพระราชาที่ประกอบด้วยองศีประการ น, นี้แลย่อมเป็นช้างควรแก่พระราชาควรเป็นช้างต้นนับว่าเป็นราชพานะโดยแท้ฉันใดภิกสุทั้งหลายภิกสุผู้ประกอบด้วยทำสีประการก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับ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 คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ตั้งใจใฝ่ใจสำรวมใจเงี่ยโสดลงฟังธรรมในเมื่อผู้อื่นแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วภิกษุเป็นผู้เชื่อฟังเป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้ฆ่าได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ยินดีกามาวิตกที่เกิดขึ้นและบันเทาทาให้หมดสิ้นไปทาให้ถึงความไม่มี ไม่ยินดีพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นและบันเทาทําให้สิ้นไปทําให้ถึงความไม่มีไม่ยินดีวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นและบันเทาทําให้หมดสิ้นไปทําให้ถึงความไม่มีภิกษุเป็นผู้ฆ่าได้เป็นอย่างนี้แหลภิกษุเป็นผู้อดทนได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวกระหาย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 คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปตลอดการยาวนานนี้คือความระ ง, งับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตันหาความคลายกำหนัดความดับทุกข์นิพพานภิกษุเป็นผู้ไปได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบพฤติธรรมสีประการ น, นี้แลย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวาย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 ว่าด้วยฐานะแห่งความเสื่อมและความเจริญภิกษุทั้งหลายฐานะสีประการนี้ฐานะสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ฐานะที่ทำสิ่งที่ไม่น่าพอใจและเมื่อทาย่อมเป็นไปเพื่อความฉิบหาย 2. ฐานะที่ให้ทาสิ่งที่ไม่น่าพอใจแต่เมื่อทาย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ 3. ฐานะที่ทำสิ่งที่น่าพอใจ แต่เมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อความฉิบหาย 4. ฐานะที่ทำสิ่งที่น่าพอใจและเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์บรรดาฐานะสี่ประการนั้นฐานะที่ทำสิ่งที่ไม่น่าพอใจและเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อความฉิบหายบัณฑิตย่อมรู้ว่าฐานะนี้ไม่ควรทำทั้งสองส่วนคือรู้ว่าไม่ควรทำทั้งส่วนที่เป็นฐานะ ที่ให้ทําสิ่งที่ไม่น่าพอใจและรู้ว่าไม่ควรทําทั้งส่วนที่เป็นฐานะที่เมื่อทําย่อมเป็นไปเพื่อความฉิบหายบัณฑิตย่อมรู้ว่าฐานะนี้ไม่ควรทําทั้งสองส่วนบรรดาฐานะสี่ประการนั้นฐานะที่ให้ทําสิ่งที่ไม่น่าพอใจแต่เมื่อทําย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์พึงทราบคนพาลและบัณฑิตในเรื่องกําลังของบุรุษความเพียรของบุรุษ และความบากบั่นของบุรุษคนพานย่อมไม่เห็นประจักษ์ดังนี้ว่าฐานะนี้ที่ให้ทำสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็จริงแต่เมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เขาย่อมไม่ทำฐานะนั้นเมื่อไม่ทำจึงเป็นไปเพื่อความฉิบหายส่วนบัณฑิตย่อมเห็นประจักษ์ดังนี้ว่าฐานะนี้ที่ให้ทำสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็จริงแต่เมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ เขาย่อมทำฐานะนั้นเมื่อทำจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์บรรดาฐานะสี่ประการนั้นฐานะที่ทำสิ่งที่น่าพอใจแต่เมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อความฉิบหายพึงทราบคนพาลและบัณฑิตในเรื่องกำลังของบุรุษความเพียรของบุรุษและความบาปบั่นของบุรุษคนพาลย่อมไม่เห็นประจักษ์ดังนี้ว่าฐานะนี้ที่ให้ทำสิ่งที่น่าพอใจก็จริง แต่เมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อความฉิบหายเขาย่อมทำฐานะนั้นแต่เมื่อทำจึงเป็นไปเพื่อความฉิบหายส่วนบัณฑิตย่อมเห็นประจักษ์ดังนี้ว่าฐานะนี้ที่ทำสิ่งที่น่าพอใจก็จริงแต่เมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อความฉิบหายเขาไม่ทำฐานะนั้นเม <ME> ื่อไม่ทำจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์บรรดาฐานะสี่ประการนั้น ฐานะที่ทำสิ่งที่น่าพอใจและเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์บัณฑิตย่อมรู้ว่าฐานะนี้ควรทําทั้งสองส่วนคือรู้ว่าควรทําทั้งส่วนที่เป็นฐานะที่ทําสิ่งที่น่าพอใจและรู้ว่าควรทําทั้งส่วนที่เป็นฐานะที่เมื่อทําย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์บัณฑิตย่อมรู้ว่าฐานะนี้ควรทําทั้งสองส่วน ภิกษุทั้งหลายฐานะสี่ประการ น, นี้แหละฐานสูตรที่หจบ 6. อัปมาทสูตรว่าด้วยความไม่ประมาทภิกษุทั้งหลาย พวกเธอควรทำความไม่ประมาทโดยฐานะ4ี่ประการฐานะสีประการอะไรบ้างคือ 1. จงละกายยุจริตบบำเพ็ญกายสุจริตและอย่าประมาทในการละกายยุทจริตบบำเพ็ญกายสุจริตนั้น 2. จงละวจีทุจริตบบำเพ็ญวจีสุจริตและอย่าประมาทในการละวจีทุจริตรบำเพ็ญวจีสุจริตนั้น 3. จงละมโนทุจริตบำเพ็ญมโนสุจริตและอย่าประมาทในการละมโนทุจริตบำเพ็ญมโนสุจริตนั้น 4. จงละมิจฉาทิฏฐิบำเพ็ญสัมมาทิฏฐิและอย่าประมาทในการละมิจฉาทิฏฐิบำเพ็ญสัมมาทิฏฐินั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตและวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริต และมโนทุจริตบำเพ็ญมโนสุจริตและมิจฉาทิฏฐิบำเพ็ญสัมมาทิฏฐิเมื่อนั้นเธอย่อมไม่กลัวความตายที่จะมาถึงในวันข้างหน้าอัปมาทัศสูที่หจบเจ็ด อารักษาสูตรว่าด้วยสติเครื่องรักษาภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงทาความไม่ประมาทคือมีสติเครื่องรักษาใจโดยสมควรแก่ตนในฐานะสี่ประการฐานะสี่ประการอะไรบ้างคือพึงทำความไม่ประมาทคือมีสติเครื่องรักษาใจโดยสมควรแก่ตนว่าหนึ่งจิตของเราอย่ากำหนัดในธรรมที่เป็นเหตุแห่งความกาหนัด 2. จิตของเราอย่าขัดเคืองในธรรมที่เป็นเหตุแห่งความขัดเคือง 3. จิตของเราอย่าหลงในธรรมที่เป็นเหตุแห่งความหลง 4. จิตของเราอย่ามัวเมาในธรรมที่เป็นเหตุแห่งความมัวเมาในการใดจิตของภิกษุไม่กำหนัดในธรรมที่เป็นเหตุแห่งความกำหนัดเพราะปราศจากความกำหนัด จิตไม่ขัดเคืองในธรรมที่เป็นเหตุแห่งความขัดเคืองเพราะปราศจากความขัดเคืองจิตไม่หลงในธรรมที่เป็นเหตุแห่งความหลงเพราะปราศจากความหลงจิตไม่มัวเมาในธรรมที่เป็นเหตุแห่งความมัวเมาเพราะปราศจากความวา ม, มัวเมาในกาลนั้นภิกษุนั้นย่อมไม่หวาดภวาไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะทานไม่ถึงความสะดุ้งและไม่หลงเชื่อแม้เพราะถ้อยคําของสมณะเป็นเหตุ อารคขสูตรที่เจ็ดจบ 8. สังเวชนียสูตรว่าด้วยสังเวชนียสถานภิกษุทั้งหลายสังเวชนียสถานสี่แห่งนี้ เป็นสถานที่ที่คุรบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูสังเวชนียสถานสี่แห่งอะไรบ้างคือหนึ่งสังเวชนียสถานที่คุรบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูด้วยระลึกว่าตถาคตประสูตุในที่นี้ 2. สังเวชนียสถานที่คุรบุตรผู้มีศ ร, ร, รัทธาควรไปดูด้วยระลึกว่าตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ สาสังเวชนียสถานที่คุณบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูด้วยระลึกว่าตถาคตทรงประกาศ ธ, ธรรมจากอันยอดเยี่ยมในที่นี้ 4. สังเวชนียสถานที่คุณบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูด้วยระลึกว่าตถาคตเสด็จดับขันธปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสาริพานธาตุในที่นี้ภิกษุทั้งหลาย สังเวชนียสถานสี่แห่งนี้แหละเป็นสถานที่ที่คุณระบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูสังเวชนียสูตรที่8ดจบ 9. ปฐมภพยสูตรว่าด้วยภยภายใน สูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายภัยสีประการนี้ภัยสีประการอะไรบ้างคือ 1. ชาติภยัยภัยเกิดเพราะความเกิด 2. ชาราภายัยภัยเกิดเพราะความแก่ 3. พยาธิภัยภัยเกิดเพราะความเจ็บไข้ 4. ีมรณะภยัยภัยเกิดเพราะความตายภิกษุทั้งหลาย ภัยสีประการนี้แหลปฐมพยสูตรที่เกาจบสิบทุติยพยสูตรว่าด้วยภัยภายนอกสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายภัยสี่ประการนี้ภัยสีประกา ร, า ร, ะการอะไรบ้างคือหนึ่งอัคคีภยัยภัยเกิดจากไฟสองอุทกภยัยภัยเกิดจากน้ำา 3. ราชภายัย ภัยเกิดจากพระราชาสโจรภัยภัยเกิดจากโจรภิกษุทั้งหลายภัยสี่ประการนี้แหละทุติยพยสูตรที่สิบจบเกสิวักที่สองจบรวมพระสูตรที่มีเนวักนี้คือหนึ่งเกสิสูตรสองชวะสูตรสปรปโตทสูตรสนาคสูตร 5. ฐานสูตร 6. ออปมาธาสูตร 7. อารขสูตร 8. สังเวชนียสูตร 9. ปถมพยสูตร 10. ทุติยพยสูตร สามพยัค์หมวดว่าด้วยภัยหนึ่งอัตานุวาทสูตรว่าด้วยอัตานุวาทะภัยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภัยสี่ประการนี้ภัยสีประการอะไรบ้างคือหนึ่งอัตานุวาทะภัยสปารานุวาทะภัยสทันทะภัยสทุกติภัย อาตานุวาทภัยเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นประจักษ์ดังนี้ว่าก็ถ้าเราพึงประพฤติชั่วด้วยกายประพฤติชั่วด้วยวาจาประพฤติชั่วด้วยใจฉะนั้นเราจะติเตียนตัวเราเองโดยศีลไม่ได้เขากลัวภัยที่เกิดจากการติเตียนตนเองจึงละกายยุจริตบำเพ็ญกายยสุจริตและวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริต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 เขากลัวภัยที่เกิดจากผู้อื่นติเตียนจึงละกายยัุจริตบำเพ็ญกายสุจริตละวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตละมโนทุจริตบำเพ็ญมโนสุจริตบริหารตนให้บริสุทธิ์นี้เรียกว่าปาราณุวาทภัยทันทภัยเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นพระราชารับสั่งให้จับโจร ผู้มักประพฤติชั่วแล้วให้ลงโทษทันนานาชนิดคือเคี่ยนด้วยแท้บ้างเคี่ยนด้วยหวายบ้างตีด้วยไม้ตะบองบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือและเท้าบ้างตัดหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งหูและจมูกบ้างทำให้เป็นภาชนะสำหรับรองหม้อน้ำข้าวบ้างทำให้เกลื่อเกลาเหมือนสังบ้างทำให้มีปากเหมือนปากราหูบ้าง ทำให้มีพวงมาลัยไฟบ้างทำให้มือมีไฟลูกโชตช่วงบ้างทำให้เป็นเกลียวหนังเนื้อสายบ้างทำให้น Rights ุ่งหนังตนเองเหมือนนุ่งผ้าขี้ริ้วบ้างทำให้ยืนกวางบ้างทำให้เหมือนเนื้อติดเบ็ดบ้างทำให้เป็นชิ้นเท่ากหาปนะบ้างทำให้เป็นที่รับน้ำด่างบ้างทำให้หมุนเหมือนกรอนเหล็กบ้างทำให้เป็นต่างที่ทำด้วยฟางบ้างราดด้วยน้ำมันร้อนบ้าง ให้สุนัข ก, กัดกินบ้างให้นอนงายบนเหลาทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่บ้างตัดศรีรษะด้วยดาบบ้างเขามีความคิดอย่างนี้ว่าเพราะครรมชั่วเช่นใดเป็นเหตุพระราชาจึงรับสั่งให้จับโจรผู้มักประพฤติชั่วแล้วให้ลงโทษทันานานาชนิดคือเคี่ยนด้วยแสบบ้างและถึงตัดศรีรษะด้วยดาบบ้างก็ถ้าเราเองพึงทำคำรรชั่วเช่นนั้น รราชาพึ่งรับสั่งให้จับเราแล้วให้ลงโทษทันนานาชนิดอย่างนี้คือเขี่ยนด้วยแท้บ้างและถึงตัดศีะด้วยดาบบ้างเขากลัวทันทภัยไม่เที่ยวแย่งชิงสิ่งของของคนอื่นนี้เรียกว่าทันทภัยทุกขติภัยเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เห็นประจักษ์ดังนี้ว่า ผลของกายทุจริตในภพหน้าเป็นผลเลวสามเป็นทุกข์ผลของวจีทุจริตในภพหน้าเป็นผลเลวสามผลของมโนทุจริตในภพหน้าเป็นผลเลวทามก็ถ้าเราพึงประพฤติ ช, ชั่วด้วยกายประพฤติ ช, ชั่วด้วยวาจาประพฤติ ช, ชั่วด้วยใจความชั่วบางอย่างนั้นพึงเป็นเหตุให้เราหลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเขากลัวต่อทุกติภัย และกายยตุจริตบำเพ็ญกายสุจริตและวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตและมโนทุจริตบำเพนน็ญมโนสุจริตบริหารตนให้บริสุทธิ์นี้เรียกว่าทุคติภัยภิกษุทั้งหลายภัยสีประการ น, นี้แลอาตานุวาทสูตรที่หนึ่งจบ